ด่วนแจ้ง 191 สํานัก ชาวต่างยอมรับในชื่อเสียงทั่วไปต่างยอมรับในชื่อ คุณตกคุณของหลวงพ่อคงไม่ บางกระพร้อมตำบลอำพวาอำเภออำพวาจังหวัดสมุทรสงครามหรือที่เรียกกันโดย ซึ่งเป็นพระประยุนญาติของพระบาทๆซึ่งตั้งอยู่ใน เดิมนั้นเข้าใจว่านั้นเข้าใจว่าอยู่ในการและเรียกฐาน ด้วยเหตุที่อำเภออำพวาสมัยก่อนเรียกกันว่าแหวงบางช้างเป็นชุมชนเล็กๆสําคัญและเกี่ยว ในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาทนายตลาดผู้นี้นั้นแขวงบางช้างมี เมื่อปีพุทธศักราช 1303 ใน กำลังขับไล่พม่าออกไปหมดแล้วได้สถาปนาขึ้นเป็น แห่งราชจักรกรีวงศ์หลวงยกกระบัดได้กลับเข้า และปราบดาพิเศษปราบดาพิเศษขึ้นเป็นภรรยาก็ คือพระอุปัชฌาย์คงธรรมโชโตงอดีตเจ้าอาวาสวัด ห่างจากที่ 1400 เมตรมีถนนของเทศบาลผ่านวัดถนนของเทศบาลผ่านวัดและ 3 เส้น 7 วา 2 ศอกเศษด้าน 4 เส้น ด้านตะวันออกติดคลองบาง ranging เมืองesy กต่อมาวันหนึ่งเพื่อนบาทได้วิงมาบอกว่ามีมีกองธหารพระมาต์จำนวนหนึ่งลาดกระเวนแถวนี้ให้เรียกลบหนี้ไปด้วยเห็นว่ามีไม่ทันสองถัวเมียในขณะนั้น จึงระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยตั้งสัตยาธิษฐานต่อและสิ่ง หลงหวงผัว 65 ซม. สูง 80 ซม. 5 พระพุทธรูปปางนิพพานยาว 1 ม. 40 ซม. 6 พระ 6 องค์คือ 1 หลวง 2 หลวง 3 หลวง 4 หลวงพ่อวัดตะเครา 5 หลวงพ่อวัดบ้านแหลม 6 หลวงพ่อพระพุทธชินราช 7 เป็นภาพจิตกรรมที่ผนังเป็นเนื้อเดียว ในโลกผนังด้านทิศตะวัน กับพระภิกษุผู้ทรงจำพระๆได้ขอๆเป็นประจำเป็นแหล่ง บางกระพร้อมในอดีตเป็นสถานที่จําธรรมโชโตประวัติของ ธรรมโชโตหรือจันทร์ประเสริฐเป็นบุตรนาเกศนางทองอยู่ 6 ค่ำเดือน 5 ปีฉลู 2408 ที่ ตรงกับ 6 ค่ำ 8 พร้อม 25 รูปโดยมีพระอุปัชฌาย์ด้วงวัดเมือง แปลว่าว่าคู่รุ่งเรืองก็ได้เอาใจใส่ธรรมกับอาจารย์นกได้อุปสมบทแล้ว 13 ปี ปรากฏว่าว่าได้เรียนวิชา รับความศรัทธาของญาติโยมที่ให้เกียรติ พร้อมด้วย 23 ถึง 24 สร้างปฏิสถานไว้ในกุติของท่านพุทธสยาสองค์ ขนาดยาว 4 วา 22 ศอก เพื่อตั้งแถวแนวปฏิให้ได้ระดับใหม่เป็นระเบียบเรียบร้อยสมเป็นโรง ในชื่อเสียงของวัดบางกระพร้อมดังกล่าวนี้ชื่อเสียง 37 ขณะนั้น 57 ปีได้รับการแต่งตั้งจากมหาเทระรับการแต่งตั้งจากมหาเถระให้ทําหน้าที่เป็น 2464 ลง 5 มกราคมพุทธศักราช 2464 หลวงพ่อคง ครั้งที่หลวงพ่อคงนั่งอุปัชชาให้กับชายคนหนึ่ง ท่านเอาผู้ร้ายมาบวชควรให้โทษออกจากตำแหน่งอุปชาเจ้าคณะจังหวัดหลงเชื่อ กรมพระนคร พอใจของผู้ได้พบเห็นเมื่อสถานที่แห่งที่ยังขาด จังหวัดเพชรบุรีพรรษาที่ 53 ได้ชักชวนทายกทายิกาสร้างกุฏิศาลา อำเภอเขาย้อย 56 ถึง 57 พุทธศักราช 2483 ถึง 2484 ได้พิจารณาเห็นประชาชนใน ไม่เหมาะแก่การที่จะไปบำเพ็ญกุศล สร้างหลังละห้าห่องสร้างขึ้น 2 หลังหลังละ 5 ประกอบกับความมุ่งมั่นที่ใคร่ 6 กุมภาพันธ์พุทธศักราช 2486 ตรงกับวัน 2 ค่ําเดือน 3 ปี ขณะที่หลวงพ่อคงท่านกําลังขึ้นนั่งบนนั่ง ธรรมโชโตก็เกิดท่านเข้าสู่การมรณภาพด้วยความสงบหน้า ดั้งกล่าวนี้นี้พอจะเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่า แห่งในสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นแม่น้ำแม่กลองในสมัย วัตถุมงคลที่หลวงพ่อคงท่าน 1 เหรียญ